พรมป ร, ริยัตนาไตรขอาการบูชาครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลว ง, งพ่อเทศหลวงพ่อกำเขียนขากราบคารวะหลวงพู่กุมอาจารย์ทรงศินป์อาจารย์มัฒนาชัยและขอโอกาสเพื่อนสาธรรมิกเขาเจริญพรยังไม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันที่16เมษายนพุทธศักราช2อ5พนสะส่วนหนึ่งก็เป็นช่วงสุดท้ายาของวันเทศกาลสงกรานต์าบางส่วนก็กลับไปสู่บ้านเรือนเพื่อที่จะไปทำงานไปทำหน้าที่อของตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ ก็คงจะมีเวลาที่จะมาใช้ชีวิตมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตในตอนนี้นไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้อาศัยช่วงเวลานี้นมาบวชเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาจริงๆมาวัดป่าสุกโตเนี่ยาบางที เรามาถึงสถานที่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงหัวใจนะของวัดป่าสุกตจริงๆหัวใจของวัดป่าสุกตจริงๆในความเข้าใจของตัวผมนิธิมาเองนั้นนะก็คือการที่เราได้มาเรียนรู้นะเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจของเรานะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญ ถ้ามาวัดป่าสุขตัวแล้วไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็ถือว่ามาถึงแค่เฉพาะสถานที่แต่ไม่ได้มาถึงวัดป่าสุขตัวจริงๆถ้ามาแล้วเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องกายเรื่องใจของเราอย่างตรงไปตรงมางานโดยอาศัยเอากายเอาใจของเราเนี่ยมาเป็นบทเรียน เป็นแบบฝึกหัดเป็นตำราอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนักศึกษาแล้วก็คืออ่านลงไปที่กายที่ใจของเราหนังสือที่แท้จริงพโปรตีนดกที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่กายที่ใจของเราหนังสือที่เราอ่านข้างนอกเนี่ยเปิดไปแล้วก็เหมือนกับเป็นแผนที่เท่านั้นเองมาเป็นแผนที่ที่ใจเราเดินทาง ไปถึงเป้าหมายงานที่เราจะไปทีนี้เมื่อเราอ่านหนังสืออ่านแผนที่แล้วนถ้าเราไม่เดินทางนเราก็เพียงแต่รู้สถานที่รู้แผนที่เท่านั้นเองนเราก็ยังไม่ถึงอจุดหมายปลายทางนาของการที่เราาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านหนังสือแล้วหรือได้ยินได้ฟังแล้วนถ้าเราเอาไป ปฏิบัตปฏิบัตินะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายนะที่ในหนังสือกล่าวเอาไว้หรือที่พู้เจ้าได้ค้นพบนะครูบาอาจารย์ก็ได้นำมาผู้นํานำมาถ่ายทอดนะในแต่ละวันนะที่เราได้ยินได้ฟังนะถ้าเราเพียงได้ยินได้ฟังจดจำได้นะแล้วก็ <c oughs> ไม่เอาไปปฏิบัติ นะมันก็เพียงแค่รู้จำนะจำเอาไว้เอาไปพูดไปคุยกันนะก็ยังไม่รู้แจ้งรู้จริงประงการรู้เนี่ยนะมันก็มีอ่รู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนะรู้จจ้งรู้จริงนี่จะต้องเกิดจากการที่เราอ่ประพฤติปฏิบัติลงไปในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ต้องลองเอาไปปฏิบัติ อนะย่างในหลักของอสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะให้เรามีสติไปในกายนะในเวทนาในจิตในธรรมนะเริ่มต้นที่มีสติลงไปในกายการมีสติลงไปในกายเนี่ยนะที่เราได้ปฏิบัติปฏิบัติก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวนะที่กยกน้อยกมือกันก็ดี เดินจงกลมก็ดีหรือแม้แต่ในกิจวัตรประจําวันนตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเรียนรูน้าเรื่องกายเรื่องใจของเราการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนะก็คือเรากลับมารู้สึกตัวนาที่กายเคลื่อนไหวก่อ น, นอย่าเพิ่งไปดูจิตอย่เพิ่งไปดูความคิดาในช่วงแรกๆเพราะว่าจิตกับความคิด หรือความคิดเนี่ยนาะมันเป็นสิ่งที่ไหวมากแลวมันไม่มีตัวตนนะถ้าสติเรายังไม่ชัดความรู้สึกตัวเรายังไม่ชัดเนี่ยไปดูเนี่ยเราก็จะหลงไปในความคิดาหนะลงไปในอารมณ์ต่างๆนาะที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องหาหลักก่อนนหลักก็คือมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนาะซึ่งเป็นเครื่องมือนาะที่หยาบที่สุดมานะเป็นเครื่องมือที่ ที่เราสัมผัสได้ง่ายที่สุดถ้าเราใช้ลมหายใจเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะการใช้ลมหายใจเนี่ยแต่ว่าลมหายใจมันจะเบาแล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะลืมนะลืมตัวได้ง่ายนแล้วบางทีทําไปทํามานมันก็จะตกภวังหรนอเมืงหลับงมื่อนอนไปแต่ถ้าเรายกมือก็ดูเดินจมกรมก็ดูนี่ะมันมีความชัดเจน ก็ไม่ได้หมายนวามว่ายกมือแล้วจะไม่ง่วงโดินแล้วจะไม่ง่วงมันก็ง่วงเหมือนกันนี้มันก็เป็นอาการของจิตที่มันจะแสดงออกม า, มาเป็น อ, า, อารมณ์เริ่งต้นที่จะแสดงออกมาก็คือความง่วงเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นฝึกใหม่ๆเนี่ยอย่าได้ท้อนะถ้ามีความง่วงความเ่วงเนี่ยมาทดสอบกําลังใจของเรานะมาทดสอบ ว่าความรู้สึกตัวของเรามันชัดหรือไม่ชัดนะตรงนี้ถ้าเราเนื่องนะแล้วเราก็ยามจําันก็คือไม่พยายามที่จะปลุกตัวให้ตื่นขึ้นนะด้วยการเดินให้เร็วขึ้นสร้างจังหวะให้เร็วขึ้นนะเพื่อให้เกิดการตื่นตัวขึ้นมานะตรงนีนะ้ก็เป็นเรื่องที่เราจะทำให้การเจริญสติของเรานะ่มันมีความชัดเจนขึ้น การศึกษาหรือมีสติภปในกายเนี่ยนะถ้าเรามีการเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆนะคืออย่านั่งนิ่งๆนะวิธีการฝึกเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไม่เนนั่งนิ่งๆหลับตานะหรือแม้แต่ยกมือก็จะ่าไปนั่งหลับตาเพราะอะไรนั่งหลับตาเนี่ยมันเหมือนกับไปสะกดจิตตัวเองให้มันรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ทําให้เรา เมื่องได้น่าลืมตาเลยนาลืมตาที่จะเผชิญกับความจรงิงกับสิ่งแวดล้อมาบางคนก็กลัวว่าลืมตาเดี๋ยวมันจะทําให้เราฟุงา้งซ่านน่าลืมตาแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้เราไม่สมมมงบนทําให้ใจเราวอกแนกนั้นไป็นวิตกกังวลตรงนี้เมื่อเราลืมตาแล้วเรายกมือเรามีความรู้สึกกับมือที่เคลื่อนไหวมีเสียงเข้ามาที่หู มานะเราก็รู้ทันมาเราก็ไม่ได้ไปตามเสียงมาเรากลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวที่มือเคลื่อนไหวลิขิตเดินจงกลมมามีเสียงรถผ่านมาเราก็รู้เราก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งที่มันเข้ามาเรามาสนใจอยู่สิ่งที่เราทําอยู่เฉพาะหน้าก็คือการเคลื่อนไหวก็ดีการเดินจงกรมก็ดีมาก็มารู้สึกที่กายที่เคลื่อนไหวทีนี้เมื่อเรา รู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวบ่อยๆตรงนี้เนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราเอนนะกรณีที่เราเอนอยู่นานๆมันจะมีอาการปวดอาการเมื่อยแสดงขึ้นมาอาการปวดอาการเมื่อยก็เป็นอาการของกายที่เราควรจะเรียนรู้เราอย่าไปปฏิเสธนั้นหรืออย่าไปบิ่มมันว่าไปไม่ไหวแล้วนั่งนานมันปวดมันเมืยมันทรมานเราทำไม่ต้องมาทรมานอย่างนี้นะ ตรงนี้แหละเป็นแบบฝึกหัดเป็นบทเรียนในะที่เราจะเรียนรู้ในเบื้องต้นก็คือรู้กายเครื่อนไหวด้วยอาการเจ็บอาการปวดหนะรือแม้แต่อากาศร้อนอากาศหนาวนะอากาศเยน็นอากาศชื้นตรงนี้เราก็รับรู้มันนะสิ่งที่มาสัมผัสกับกายเสียงที่มาสัมผัสกับหูหนะ้าตาที่เห็นอนะไรพวก น, ะนี้มันจะเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะ เป็นสิ่งที่มันชัดเจนแต่ละขณะแต่ละขณะตรงนี้แม่ให้เรารับรู้นะแต่เราก็ไม่ได้สนใจมันนะแต่เไม่สนใจในที่นี้คือเราไม่ไปคิดต่อแนะว่าทำไมมันร้อนจังทำไมมันหนาวจังโอ้มันปวดเมื่ออย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยนจะสู้มันได้ไหมอะไรอย่างนั้นนะก็คือไปรู้ตกกังวลเพราะนั้นมันเปวดมันเมื่อเราก็รู้มันร้อนมันเย็นมันหนาวเราก็รู้นารู้มันเฉยๆ ใจเราเป็นปกตินาใจเราไม่ไปวิตกกักงวลทีนี้ถ้ามันปวดเมื่อยนานนานามันทนไม่ไหวนาเราก็เปลี่ยนอิรลียบทได้แต่เราเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวอย่าไปเปลี่ยนทันทีอย่างน้อยให้มันขอเราสักสองครั้งหรือสามครั้งก่อนตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกการยับยั้งแช่งใจนาเราไม่ทำอะไรแบบหุนหันพันแล่นเอาความปวดเอาความ เ, เาามเื่อยนาทําให้เราต้องเปลี่ยน นะเราก็เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวนะเมื่อเราลุกขึ้นที่เรานั่งอยู่มันปวดเมื่อยนะเราลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวก็ให้สังเกตนะอาการปวดเมื่อยก็จะเปลี่ยนไปนะมันก็จะหายปวดหายเมื่อยนะตรงนี้เราก็จะเรียนรู้นะความเปลี่ยนแปลงนของกายเมื่อเปลี่ยนอีเลียบทนะเจนว่าความปวดเมื่อยเองมันก็ยังไม่เที่ยงเลยมันยังเปลี่ยนแปลงได้นะ หรือบางคนอาจจะไม่เปลี่ยนเลยลองทนนั่งดูนะบางทีมันก็นั่งจนมันหาปวดเมื่อยก็มีเหมือนกันนะมิ้ก็ต้องอาศัยความอดทนหน่อยแต่สําหรับคนที่เอเริ่มต้นใหม่คนที่ยังเซียงไม่แก่กล้าก็เปลี่ยนเออบทได้นะเป็นด้วยความรู้สึกตัวนะตรง น, นี้ก็จะทําให้การเจริญสติของเรามีความต่อเนื่องอเมื่อเราทําใบๆทําเรื่อยๆในรูปแบบเนะี่ย นะมันจะเรียนรู้ตายเรียนรู้อาการของตายที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นบางทีมันก็มีแวบบแวบ๊บเข้ามากับความคิดนะมันคิดแว๊บเข้ามาแต่ก่อนเนี่ยพอมันคิดแว๊บเข้ามาเราก็จะตามมันไปคิดตามคิดไปนะคิดถึงเรื่องอดีตบ้างตาังวลกับเรื่องอนาคตบ้างนะแต่เมื่อเรามาจเจริญสติอย่างนี้เนี่ยนะในขั้นแรกเนี่ยเราอย่าไปตามมัน ความคิดเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติอนหนึ่งที่มันจะแสดงตัวเป็นแบบฝึกหัดเป็นบทเรียนที่เราจะเรียนรู้อีกเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่มันแสดงปรากฏออกมาเพียงแต่ว่าเราไม่ตามมันนะไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวความคิดนี่ยถ้าไปห้ามนะมันเหมือนเก็บกดน่ะน่ะไปยิ่งไปกดไปเก็บมันยิ่งมึนน่ะแล้วมันก็ไม่เป็นธรรชาติ หรือตามมัน the ไปก็คือเผลองานไม่ทันงานตามคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานางานมันก็เป็นความลืมตัวไปละวงานความรู้สึกตัวไม่มีแล้ยกมืออยู่เหมือนกันนะหรือเดินอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็คิดไปมาตรงนั้นความรู้สึกตัวเราไม่ชัดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเรายกมือทั้งวันเลยนะแต่มันไม่รู้สึกตัวเลยก็มเหมือนกันเพราะมันไปอยู่ในความคิดมันไปตกจมอยู่ในกระแสของความคิด เรือบางคนเดินกลมหน้ากล่มตาเดินนะเดินไปก็คิดไปความเคยชินเก่าๆนำะมาลึกตัวที่โอ้มุนหัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดตกปอยู่ในความคิดมันไม่รู้ทันความคิดเพราะฉะนั้นถ้ามีความคิดเกิดขึ้นในระหว่างเดินจนปล่ก็ดีในระหว่างสร้างจังหวะก็ดีทิ้งมันเลยไม่ต้องไปสนใจเลยนะกลับมาลึกตัวที่เกิดขึ้นไวอย่างเดียวเลย หน้าที่ของเราทําตรงนี้ไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่าทําไมมันต้องคิดมันคิดเรื่องอะไรเราจะทําให้มันหายไปได้อย่างไงไม่ต้องไปสนใจเลยทิ้งมาเลยกลัมารู้สึกตัวอย่างเดียวอันนี้มันจะเร็วถ้ายัางไปวิเคราะห์วิจารณ์ไปคิดมันคิดนีนดนนดนน่โอ้มันจะแน่นช้านะตรงนี้เป็นสิ่งที่เร า, เาต้องสังเกตเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือ ให้เรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆนะตรงนี้ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะมันจะเป็นการปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนะให้มันตื่นขึ้นพอมันตื่นขึ้นแล้วมันจะทําหน้าที่ของมันมันจะเริ่มไปเห็นกายที่เคลื่อนไหวนะแล้วก็เห็นอาการของกายที่มันปวดมันเมื่อยนะหรือบางทีเคลื่นเนือ้อกลืตัว หรือบางคนก็มีรู้สึกมันคันยึดย ๆ, ๆๆๆที่ผิวหนังก็ได้หรือบางทีเดินไปมันรู้สึกว่ามันซาบซานขึ้นมาก็มีเหมือนกันนมาเป็นปฏิสุขขึ้นมามามีขนลุบขพองขึ้นมามาตรงนีเน้เป็นสิ่งที่สติที่เราได้ฝึกมารู้ความรู้สึกตัวที่เราได้ฝึกอย่างต่อเนื่องมามันจะเริ่มทําหน้าที่ของมันมันจะเห็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นภายในกายของเราแล้วมันจะเบนความคิด นะที่มันไวมากนะก็จะรู้เท่าทันนะจากแต่ก่อนนี่ยมาเราไม่ทันความคิดพอมีความคิดเกิดขึ้นมาเราก็ตามคิดไปนะบางคนเนี่ยไปอ่านหนังสือก็ดีไปฟังครูบาอาจารย์บางท่านบางแห่งบอกว่าให้ดูความคิดนะตามความคิดว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปยังไงตัวนี้มันตามความคิดไปแล้วนะมันไม่รู้ทัน เพราะนั้เบื้องแรกนะนะมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ทิ้งมันมันทีเลยกลับมนรู้สึกตัวไม่ต้องไปเบว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงเพียนแค่ทิ้งมันก็ดับไปแล้วงานนี้มันจะเร็วขึ้นถ้าเราไปเบื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงไอนี่คือคิดไปแล้วงานมันไม่ทำนการละงานมันช้าละเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องทําให้ให้มันไวสักหน่อยนะจับไวสักหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกตัวที่เราฝึกมันเด่น ความคิดมันจะได้ลงไปแต่ก่อนเนี่ยความคิดมันเด่นใจมันมันหลงไปในความคิดหลงด้ในอารมณ์แต่เมื่อเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเด่นความคิดมันจะได้มันจะอ่อนกําลังลงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็จะรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆนะทําอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องในรูปแบบเนี่ยจําเป็นมาก นาะที่เราจะต้องทำนาะโดยเฉพาะวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่มีอยู่หลังจากที่เราทำกิจวัตรส่วนตัวแล้วเนี่ยควรจะใช้กับเรื่องพวกนี้นาะมาอยูวัตป่าสุโกเตอเนี่ยอย่าไปมือจับกลุ่มคุยกันไปสนทนาการกันนาไปคุยสวนเสียห า, หากันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราอยู่ในสังคมอยู่ที่บ้านที่เรียนเนี่ยเราทำมามากละนะแล้วมันก็ไม่รู้อะไรจริง เราให้เวลากับเรื่องของการที่เรากลับมารู้สึกตัวในรูปแบบเนี่ยให้โดย ม, มากๆนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ความรู้สึกตัวของเรานั้นมันเด่นชัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังเกตอัาจมาสังเกตตัวเองก็ดีสังเกตผู้ที่มาปฏิบัติก็ดีผลมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเก็บมือเก็บตัวนะพยายามใช้เวลาเนี่ยกับการจเจริญสิในรูปแบบอย่างต่อเ น, นื่องนะตรงนี้มันจะเกิดผลขึ้นมา ในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราทําแบบในรูปแบบแล้วเรียคนใหม่นะนะเส่วนใหญ่เนี่ยทําไปนิดนิดหน่อยๆก็ทอ้อละพอเจอความเมื่อก็ไหวไม่ไหวแล้วไม่สู้ละนะะไปทำอย่างอื่นดีกว่าในซึ่งตรงนี้ก็สังเกตเห็นเหมือนกันนะคนที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ยแรกๆก็ตั้งใจนะอยากจะมาประพฤติปฏิบัติอยากจะมาเจริญสติแต่พอมาทาแล้วเจอความเมื่อ เจอความฟุ้งซ่านเจอความบือ่อวางและไม่เอาละไปทํ า, อ, า, า, ทาทอย่างอื่นไปหางานทําดีกว่าไปทำกิจกิจกรรมอย่างอื่นไปซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายงานน่าเสียดายที่มาวัดป่าสุกโตแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงวัดป่าสุกโตจริงๆริงนะแต่ก็ยังดีนะดีกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นนะอาจจะไปช่วยครัวบ้างทํากิจกรรมต่างๆบ้างตร ง, งนั้นก็ ก็เป็นส่วนที่เราทำให้เรามีความสุขมาแต่ว่าถ้าเรามาทำเรื่องนี้เนี่ยงานมันจะมีประโยชน์างามมากกว่าตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทํากิจกรรมอื่นเลยงานกิจกรรมอื่นให้เป็นเรื่องรองเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการมาเจริญสติที่วัดป่าสุขโตในที่ชื่อสถาบันสติปัฏฐานเนี่ยจะเน้นตรงนี้ให้เราได้มาศึกษาเรื่องนี้ หนะนังสือเนี่ยวางไว้ก่อนอนะย่างนี้บางคนมาแล้วก็มานั่งตั้งใจอ่านหนังสือเอาเต็มที่เลยดูเล่นนั้นดูเล่นนีนะ้ดูแล้วก็รู้สึกเออมันเข้าใจมันรู้นะซึ่งตรงนี้มันก็รู้มันเข้าใจแต่มันรู้จำนะเดี๋ยวออกไปในสังคนเนเ ม, เเเมเนี่ยเราไม่เราโดยเผชิญกับอารมณ์เนี่ยเราก็ตับตัวไม่ได้สติมันมาทำงานไม่ทันเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยเราจะได้ เราผชิญกับอารมณ์ตรงๆทั้งอารมณ์ที่น่ายินดีและไม่น่ายินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีมันจะมาก่อนความเบือ่อความเมื่องความฟุ้งซ่านความหมุดหงิบนะตรงนี้มันจะมามาให้เราให้เราได้เห็นแล้วมาทดสอบเราถ้าเราใจไม่แข็งพอเราไม่มีความเพียรพอและไม่มีความอดทนพอเส้นใหญ่จะถอยหมดนะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องสู้กับมันนักหน่อยนะหลวงพ่ออมเกียกันไม่ต้องลื้อกับมันนักหน่อยการลืมมันเนี่ยนาเราใัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวผ่านอย่างเรเมื่องเนี่ยเราเดินเรานั่งสร้างจังหวะเหมือนเม่องทันช้าชาเหมือนเมื่องแล้วก็ทำให้เร็วขึ้นเดินจงกรมเหมือนเม่องเดินหน้าถอยหลังเดินเร็วขึ้นนะตรงเนี้ยเราก็แก้อารมณ์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียนรู้เลยว่าความเมื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เมื่องตลอด หรือมันก็ตื่นหรืมันก็เงื่องความฟื้นฟ้านั้นรปฟื้นฟ้านตลอดห๋ือมันฟื้นฟ้านหรืวมันก็สงบณตรงนี้เราจะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้นี่คือความจริงที่แสดงออกมาที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นอำนาจที่แท้จริงเนี่ยนะมันไม่ใช่เปนตัวหนังสือที่เราจําได้มันไม่ใช่ภาษาบาลีที่พูดกันแต่มันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้น ตรงๆขึ้นมาโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือสตินะมีบางคนก็พยายามคิดคิดว่าความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงสติมันเป็นยังไงตรง น, นี้มันก็ทำให้เราพลาดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นความคิดทุกความคิดเนีทิ้งนันหมดเลยนะไม่ต้องไปสนใจในความคิดเนี่ยกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวใช้ความรู้สึกตัวอย่างตรงไปตรงมา เคยเมื่อทนาเองเคยฝึกเนี่ยมันเนิ่นช้าเพราะว่าพยายามใช้ความคิดการศึกษาในยุ ป, ปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยให้เราคิดหาเหตุหาผลนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้เราเนิ่นช้าแต่พอมาฝึกตรงนี้เราไม่ใช้ความคิดเลยเราใช้ความรู้สึกตัวอย่างตรงไปตรงมานะเราก็จะสัมผัสสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจนะแล้วเราก็จะเห็น ในะสิ่งที่เราเคยเข้าไปตกจมอยู่ในอารมณ์ตกจมอยู่ในความคิดตกจมอยู่ในอาการของกายเช่นการปวดการเมื่อยความพอใจความไม่พอใจความหงุดหงิดความฟึ่งซ่านความสบายใจความตลอดโปงโล่งนะตรงนี้มันจะเห็นถ้ามันเห็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้โหเรานี่ไปยึดถืออะไรไว้อยู่ไม่รู้มันหนักอกหนักใจมันหนัก หัวขึ้นมาเพราะเราเห็นความหนักตรงเนี้ยมันจะไม่ยึดถือแล้วมันจะเกิดการปล่อยวางนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพราะว่าเราเห็นความจริงว่าโอ้โหเราหลงยึดถือมาไม่รู้เท่าไหร่นะมันก็เกิดการปล่อยการวางขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นเองนะเราไม่ต้องไปคิดว่าเออนะต้องทําให้จิตว่างเนาะจะต้องปล่อยวางนะตามหนังสือตามตำราเขาว่าอย่างนั้นไอ้นี่คือคิดคิดคิดเอาคิดปล่อยวาง คิดให้จิตมันว่างไอาการคิดเนี่ยมันหลอกตัวเองโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะนั้นจิตเนี่ยมันน่าเรียนมากมันมีกลวลงเขาเรียกว่ากลวลงที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเรามาถูกทางแล้วซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความแยบคายาของสติสัมปชัญญะที่เกิดจากการฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝึกอย่างที่ ต่อเ น, นื่องันเป็นเวลาพอสมควรนะทำนิดนิดหน่นอยๆทำเยอะๆใหญ่ๆนะมันไม่เกิดผลหรอกนเพราะนั้นต้องเลยกับมันจริงๆต้องทงนะงําจริงๆนะหลวงพ่อเตียงเคยพูดว่าคนจริงที่จะรู้ของจริงคนไม่จริงไม่รู้ของจริงนะเพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยเราต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนเอาจริงกับมันจริงๆแรกๆนะนะนะมันก็อาจจะเพ่งจ้องมันอาจจะมุนๆมันอาจจะ ก, กลม ไปบ้างนะแต่ถ้าเราทําไปนานๆเราจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเก่งไปนะมันเพ่งไปนะมันจ้องไปนะเดี๋ยวมันจะปรับตัวของมันเองนะมันปรับตัวเดี๋ยวมันเผอไปบ้างเผอคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อ้าวเราก็พยายามกลับมารู้สึกตัวเพราะนั้นแรกๆมันจะเพ่งเพ่งจ้องจ้องหรือเผอนะมันเพ่งมันเผอไม่เป็นไรเพ่งบ่อยๆผู้บ่อยๆเดี๋ยวมันกลับมาอยู่ตรงกลางนะเรียกว่าพอดีความพอเหมาะพอดีเนี่ย ไม่มีใครบอกได้นอกจากเราต้องสังเกตเราเองเพ่งมากไปก็เผลอพอเผลอมากก็เพ่งมามันกลับไปกลับมาอยู่างนี้ยพอทำโต๊ะพอดีมันเดินไม่เรื่อยๆมันรู้สึกตัวชัดขณะที่เดินก็รู้ลมพัดก็รู้พอความคิดแปขึ้นมาเราก็รู้รู้แล้วไม่ตามมันกลับมารู้สึกตัวตรงนี้กลับมาที่การเคลื่อนไหวยอย่างนี้มาตรงนี้มันจะทำให้เกิดพัฒนาการ ตรง น, นมีคนปฏิบัติคุณนึงก็ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพัฒนาหรือว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันพัฒนาไปขนาดไหนตรงนี้กนะ็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นเองอย่างไน้อยเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยไม่เคยเห็นเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราเดินเราไม่เคยรู้เลยว่าตัวเราเดินเราเดินไปแล้วเราคิดไปแต่เมื่อเราฝึกเนี่ยตออเราเดินเนี่ยเรารู้ตัวเราเดินแม้แต่มันคิดไปเราก็ไม่ตามมัน อันนั้นมันจะมันจุดเริ่มต้นแล้วว่าโอมันอยู่ตรงนี้นะใจกับกายมันริ่มมาอยู่ด้วยกันแต่แรกๆมันก็จะยังไม่อยู่ตลอดหลักมันเผลอไปบ้างแต่เผลอไปล้วก็กลับมันใหม่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวทีละขณะทีละขณะใหม่มๆอย่าไปจ้องไปเพ่งให้มันรู้ตลอดเวลานะรู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอแล้วกลับมารู้ให้มันเร็วนะแรกๆมันจะเป็นธรรมชาติอย่างนี้รู้บ้างเผลอบ้าง แต่ก่อนเคคิดสิบเรื่องไม่รู้ทันสักเรื่องเลยแต่พอเราทําไปเรื่อยๆคิดสิบเรื่องมารู้ทันเรื่องหนึ่งอีก9้าเรื่องไม่รู้เออมันเริ่มพัฒนานะทำต่อไปเรื่อยๆคิดสิบเรื่องรู้ทันสองเรื่องอีก8ดเรื่องไม่รู้น่ามันจะค่อยๆเห็นทันอย่างเงี้ยคิดสิเรื่องรู้ทันห้าเรื่องอีกห้าเรื่องไม่รู้น่ะทำไปทํามาคิดปุ๊บรู้ปับคิดปุ๊บรู้ปับอันนี้เริ่ม เริ่มทา ง, งานอัตโนมัติความรู้สึกตัวมันเริ่มทํา ง, งานของมานละนะตรงนี้แต่อย่าพุ่งกระยิมยิ้ย่องแบบโอ้ใช้ได้แล้วบางทีความที่เราดีใจว่าโอ้มันใช้ได้แล้วนี่แหละมันทมให้เราเผลอไปไอีกเพราะฉะนั้นกลเมืองของจิตเนี่ยโอ้มันมีสารพัดแหะแล้วบางคนเนี่ยนะฝึกฝึกแล้วรู้นั่นรู้นี่โอ้เข้าใจเรื่องนั้นเข้าใจเรื่องนี้แต่ก็เท่าทีเถอะเราหลไปกับเรื่องลนะ เราไม่รู้สึกตัวซึ่งตรงนี้ตัวผู้นิยตามาเนี่ยก็เคยเจอแบบนี้มาเขาเรียกว่ามันคิดไปสารพัดเรื่องแล้วยิ่งที่ใครอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆเนี่ยนะไอ้ธรรมะที่เราอ่านน่ยมันจะแตกมาอยู่ในหัวแต่อันนัน้นเป็นเรื่องของความคิดเท่านั้นเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวมาเขาเรียกว่ามิปัตสนนบางคนมิได้จบนะ่ยไปเขียนนะมานะไปเขียนหนังสือที่ต่างๆบางทีก็อยากจะพูดอยากจะแสดง ตัวกับภูมิตตมาก็เคยเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเผลอไปแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทําให้เรากลับมารู้สึกตัวได้ทันมันเผลอโอมันเผลอคิดุสร้างไปต่างๆนานาบางทีก็คิดถึงคนที่บ้านอยากให้คนที่บ้านเข้ามาปฏิบัติอยากให้คนนู้นคนนี้นามาปฏิบัติวางแผนการต่างๆนานาอันนี้ก็เผลอกันไปแล้วเผลอไปในความคิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกคายต้องรู้เท่าทานมันเหมือนกันงานในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีคนมึงวันนี้มนาะถามว่าบางครั้งอาจารย์โดยนแล้วมันตัวเบานะมันมีความสุขจังเลยไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยก็ถามว่าบางทียังมีอยู่ไหมมันหายไปแล้วอยากใช้มันมาอีกนะอันนี้ก็เป็นมาเรียนที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่าไปไข่ฮะไข่คว้าหามัน นะถ้ามันประจวบเหมาะมันเกิดเราก็รู้แล้วก็กผ่านอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีผ่านอย่างเดียวเหมือนเราเดินทางเ่ยนะเราเดินทางแล้วเป้าหมายมันอยู่สมมติเราอยู่ชียงภู ม, มิเราจะไปกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไปเมือหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นเรามีความสุขมีปิติสบายอยากให้มันอยู่นานๆ น, นะแตมันอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้มันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลง มันจะเป็นสักพักบางทีมันจะอยู่ทั้งวันเลยก็มีนะเดี๋ยววันต่อไปมันหายไปเลยนะตอง น, นี้เราก็รู้สึกแหมเสียดายจังมันน่าจะอยู่กับเราตลอดตอนเนี้ยนะเราก็ไม่รู้สึกตัวละเราไม่รู้ทันลนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ดูว่าตามความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามให้รู้แล้วผ่านมันกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆแต่ก่อนล้วไม่รู้เราก็จมในสุขจมในทุกข์ แต่เมื่อเราจเจริญสติแล้วเนี่ยเราจะเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความแปรปรวนของอารมณ์ความแปรปรวนของความคิดความแปรปรวนของสิ่งต่างๆที่มันเกิดพุ้นภายในตัวเราและมันก็ไปเห็นความแปรปรวนของข้างนอกด้วยทั้งธรรมชาติในตัวธรรมชาตินอกตัวเป็นอันเดียวกันเลยมาตรงนี้มันจะเริ่มเห็นความจริงแล้วมันจะเกิดการปล่อยวางไปเองนาธรรมชาติของมันจะเป็นเอง ในเส้นตรงนี้น่มันจะทำให้เราสัมผัสกับจิตที่เป็นปกตินาซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นจิตเดิมแท้นาที่มันมีอยู่แล้วในทุกคนนะเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นกับมันเราไปมัวติดอยู่ในอารมณ์สุขไปติดอยู่ในอารมณ์ทุกข์มันก็เลยไม่ปกติไปคอยคว้าที่จะหาความสุขและพยายามที่จะผลักความทุกข์ออกไปนาตรงนี้เราก็เลยไม่ปกติสติในสุขสุขทุกทก แต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆเราสัมผัสต่อความเป็นปกติของใจบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเราก็จะรู้ทันเช่นมันหนุดหิดขึ้นมานิดๆหน่อยๆยังจะรู้แหละสติมันจะทํางานของมันละเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเกิดการโกรธขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มหนุบหิดขึ้นมาก่อนมันเป็นเหมือนคลื่นพลังงานที่มันอยู่มีภายในเนียมันเกิดขึ้นมาสติเห็โอมันเหมนชัดละ เพียงแค่เราเห็นเมื่อสติมันจะจัดการของมันแต่ถ้าสติเรายังอ่อนเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นความโกรธนะและเป็นความโกรธเนี่ยถ้าสติเรายังไม่ไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันจะพูดออกไปมันจะด่ามันจะว่ามันอาจจะออกไปทางกายแต่ถ้าสติเราเข้มแข็งเนี่ยมันจะเกิดการอดกั้นมันจะอยู่เฉพาะในใจแต่มันจะไม่พูดออกไปไม่ออกไปทางกายทางวาจานี้ก็คือ เป็นพัฒนาการที่เราจะเห็นได้จากการที่เราฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องสังเกตดูบ่อยๆนะแล้วก็ฝึกไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดีวันตลอดเวลาบางทีมันก็ยศตกบ้างใจบางทีมันก็ตกบ้างสติบางทีมันก็เผลอบ้บ้างพอเผลอเราก็เริ่มต้นใหม่ามันเริ่มลุกคุกคานเนี่ยแหละใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละงามันยังไม่มันเรียกว่ามันยังไม่คงที่มันยังไม่คงตัวมันต้งกลับไปกลับมาอยู่ เพราะฉะนั้นให้เรามีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนที่จะทําอย่างต่อเนื่องไปนะโดยเฉพาะในรูปแบบนะระหว่างที่อยู่ที่ที่นี่นะหรือรากลับไปบ้านเนี่ยนะก็ไปทํานอกจากในรูปแบบแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวันตั้งแต่ตื่นยันหลับนะรู้สึกตัวเมื่อตื่นขึ้นมา พิกมือเล่นหลือสูตดลมหายใจเข้าจะออกให้รู้สึกตัวให้สดชื่นที่นี่อากาศบริสุทธิ์ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเพียงแค่มีพลจุดไฟเราจะได้กลิ่นเลยด้กลิ่นแบบไม้หอมเนี่ยเราจะได้กลิ่นกินแบบไม้อ่อนๆก็ได้กลิ่นในที่ที่อากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมันจะเห็นสิ่งต่างๆได้ได้ละเอียดเพราะฉะนั้นเราสมบัติกับจิตที่ปกติก็เหมือนกัน นะความเป็นปกติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเราก็จะรู้นะแต่ว่าถ้าเราไม่สัมผัสต ร, ตรงนี้เราไม่คุ้นชินกับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราบางทีเราก็ไม่รู้ทันมันบางทีเราก็ตกไปอยู่ในอารมณ์ตกไปอยู่ในความคิดนะตรงนี้ก็เป็นเป็นพัฒนาการที่เราพอจะมองเห็นได้นะลมลุกคลุกานกลับไปกลับมาตรงนี้มันก็จะทำให้เราเห็นความจริงของ อาการของตายของใจที่มันแปลปรนเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาเราก็จะเป็นผู้ดูนะแต่ก่อนเราตกเข้าไปเป็นผู้เป็นเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้บัวเป็นคนง่วงเป็นคนฟุ้งซ่านนะแต่เมื่อสติเราชัดแล้วเนี่ยมันจะเห็นอาการเรานี่มันเกิดขึ้นนะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เขาจะแสดงนะที่เขาจะผ่านให้เราเห็นเป็นบทเรียนเป็นแบบฝึกหัดนะ ตรงนี้ตะมาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวไปในจิตตนาครที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเขียนเอาไวนะ้การท่องเที่ยวไปในจิตตนาครซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้นาส่วนใหญ่สงการเราก็ไปท่องเที่ยวไปทัศนาจรไปที่ต่างๆแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราท่องเที่ยวเข้าไปข้างในเป็นจิตตนาครก็คือเป็นนครที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรา ที่มันจะแสดงอาการต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งปกติดีใจเสียใจโศกเศร้าพิตกกังวลนาต่างๆนานาตร ง, ตงตนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเมื่อสติมันตื่นขึ้นแล้วเนี่ยมันจะ เ, นเรื่องที่สนุกมากงานเราเจนละครชีวิตที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรางาโดยมีความคิดเนี่ยเป็นเพื่อนในการสร้างงาในเรื่องต่างๆ ง, งาแล้วก็มีสติเป็น ผู้คอยดูนะซึ่งตรงนีนะ้เป็นสิ่งที่เราสามารถเจนได้เมื่อสติเนะี่ยมันตื่นเต็มที่นะแล้วมันก็จะเห็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยเป็นหัวใจสําคัญนะของการที่มาวัดป่าสุกโตนะตัวกระตันยุติธรรมาเองที่มาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็อยากจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะแล้ถ้าเรามาอยู่วัดป่าสุกโตจะเป็น เพศบรรพชิตก็ดีจะเป็นเยเชีเป็นญาติโยมก็ดีเราเรียนรู้เรื่องเดียวกันอะมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแบบนะเครื่องแบบนี้เป็นเพียงแต่สิ่งสมมติขึ้นเท่านั้นเองมาะมีบิณายมีอะไรกำกับมะแต่สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้เรื่องเดียวกันและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันไม่ได้จำกัดเฉพาะนักบวชอ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่าทายเป็นเรื่องที่ ควรแก่การพิสูจน์และเป็นเรื่องที่ควรจะใช้เวลาเนี่ยให้กับคุ้มค่ากับเรื่องนี้นนะวันคืนเรื่องไปเรื่องไปบัตรนี้เราทําอะไรอยู่ใานะมันมีที่ที่เราสวดกันเมื่อเช้าและตรงนี้มันจุดสาคัญนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ชอบใจมากก็คือเราเป็นผู้ยินดีในที่สงัดหรือไม่คนในสังคมส่วนใหญ่จะไม่เข้ายินดีในที่สงัดเพราะกลัวถําไม่สงัดมีนไม่เก็บนเบนื้อเก็บตัวแล้วก็ ปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่เราจะมาเรื่องคุยเรื่องร่องพูดคุยเรื่องสังคมอันนั้นไม่ใช่สังกัดและเปิดเสียงดังๆคุยกันดังๆนะสังคมก็ชอบอย่างนั้นซึ่งตรงนั้นจะไม่ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้มาฝึกสติจริงๆมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราจริงๆที่มันแสดงออกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอันนี้แหละคือธรรมะที่แท้จริงเป็นสัจธรรมความจริงที่แสดงให้เราได้เห็น นะเพียงแต่ว่าเราจะดูหรือไม่ดูเท่านั้นเองนะตาคือสติตาใจเนี่ยเราต้องปลุกให้มันตื่นขึ้นจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่เราปลุกให้มันตื่นขึ้นตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกตัวจากการฝึกในรูปแบบการเจริญสตินอกรูปแบบในกิจวัตรประจําวันตั้งแต่ตื่นยันหลับนะตรงนี้เป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้จําเป็นต้อนอาศัยการทําอย่างต่อเนื่อง ถ้าทำอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยแล้วทําถูกตั้งด้วยนะการมาถูกตั้งในที่นี้มันก็มีพัฒนาการที่เราเห็นให้ชัดก็คือเราเห็นกายเห็ใ น, ในใจเราชัดขึ้นเนหนอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแลเรารู้ท่าทันเราไม่หลงไปในอารมณ์เราไม่หลงไปในความคิดนะตรงเนี้ยแล้วก็ได้สัมผัสกับจิตที่เป็นปกติอยู่บ่อยๆนะตรงเนี้มันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีที่พุ่งนะที่พุ่งก็คือ ความเป็นปกติของใจที่มีสติมีสัมปชัญญนะน่าที่จะพาให้เรากลับมาสู่ความเป็นปกติบ่อยๆนะอันนี้คือที่พึ่งที่แท้จริงแล้วถ้าเราทำตรงนี้ได้เรากลับไปที่บ้านเราก็ยังทำได้อยู่การที่เราบํชิพ็ญกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับคู่ซ้อมอ่ะมือนนักหน่วยเรามาป่าสุกเตอเหมือนเรามาซ้อมอ่ะซ้อมที่จะบําเพ็ญกับอารมณ์ต่างๆเมื่อเรากลับออกไปเราไปบําเพ็ญกับอารมณ์สติเขาก็จะทํางาน นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกที่นี่แล้วกลับไปก็อย่าลืมเอาไปฝึกต่อเอาไปทําต่อเรามีเวลาที่จะทําเรื่องอื่นเยอะแยะแต่เรื่องนี้เราให้เวลานิดเดียวนะก็น่าเสียดายเหมือนกันที่เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พุทธพุทธศาสนานะเพราะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พุทธพุทธศาสนาได้มาฝึกปฏิบัติแล้วนะมันเกิด ต้องทําให้มันเกิดผลขึ้นมานะเมื่อเกิดผลขึ้นมาเราก็จะไปใช้กับชีวิตของเรานะแล้วก็ไปทําการทํางานตามปกตินั่นแหละนะไม่จําเป็นว่าจะต้องมาอยู่วัดตลอดเวลานะบางคนติดความสงบนะกลับไปบ้านวุ่นวายต้องกลับมาวัดอีกนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็เพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้เผชิญกับอารมณ์เราไปเก็บกดอารมณ์ชอบสงบนิ่งๆ น, นะอย่างนั้นก็ทําให้เราไม่เข้มแข็งขึ้นมา เพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกๆอารมณ์ทุกทุเหตุการณ์นะด้วยใจที่เป็นปกติด้วยสติสัมปชัญนญะอันนี้จะถึงถึงจะเรียกได้ว่ามาถึงวัดป่าสุกโตจริงๆรงนะิหรือที่บอกว่าไปแล้วด้วยดี น, นั่นเองที่วัดสุกโตสุกโตก็คือไปแล้วด้วยดีสุขติก็คือไปไปสู่สวรรคนะ์สุกโตก็คือไปแล้วด้วยดีไปถึงที่เป็นปกติ ที่ใจเป็นปกตินะสุคตินั่นก็คือไปสวรรค์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราไปต้องไปถึงสุกเตวให้ไดนะ้ตรงนี้ก็อาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องมีความเพียรมีความอดทนนะแล้วก็ขยันในการที่จะปฏิบัติปรนะเชื่อว่าถ้าเราได้ทําอย่างต่อเนื่องนะก็จะเป็นการท้าทายคำพูดของหลวงพ่อเทียนที่บอกว่า ถ้าทําอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อย่างถูกต้องอย่างเร็วภายในหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอย่างกลางหนึ่งปีอย่างชา้าที่สุดสามปีความทุกข์จะลดลงอลนนี้ก็ท้าทายหรือสิ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้ว่าถ้าจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างเร็วหนึ่งวันถึงเจ็ดวันอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างนั้นที่สุดเจ็ดปีนะ ความทุกข์จะลดลงนะหรือที่บอกว่าจะเป็นพระอารหันต์หรือเป็นพระอนาคามีนะอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงละเอาว่าเราทําแล้วทุกข์มันลดลงก็ใช้ได้แล้วนะตรงนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองนะตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเราเนาะมาอยู่วัดป่าสุขโตเนี่ยอย่าให้เสียเวลาเป็นเรื่องอื่นมาทําเรื่องนี้กันมาพิสูจน์สัจธรรมความจริงของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ฉวยโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ พ, พ้พระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตนะ น, นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะแล้วก็พูดมาใช้เวลาพอสมควรนะบางทีอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้า ง, นะาางนะก็ต้องขออภัยได้วยนะถ้ามีอะไรกาะตกบกพร่องนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์นี่แหละจะช่วยเสริม หรือนะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะจะพูดคุยอธิหลังก็ยินดนะีที่จะพูดคุยเป็นกลยนานะุสูตรในฐานะที่เราได้มาฝึกปฏิบัติที่วัดป่าสก โ, โตด้วยกันนะในท้าที่สุดนีนะ้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของภาษีรัตรนไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะ ที่มีในตัวเรานะเป็นพระพุทธที่แท้จริงพระธรรมคือศธรรมความจริงนะที่ปรากฏหรือที่แสดงนะทั้งภายในตัวเราภายนอกตัวเราและประสงค์แนะก็คือการประพัติปฏิบัตนะิที่เราจเจริญสตนะิที่กระทํากันอยู่นะแล้วก็ด้วยความเพียรพยายามความอดทนการกระทําอย่างต่อเนื่องนะ จงเป็นพระวะปัจจัยให้ทุกท่า น, นาได้ถึงที่สุดแห่งทุกขคือความเป็นปกติของใจนในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร